ปะมะสั่งหยุดประมวลเรื่องเปรียบเทียบเป็นคำสอนต่างๆเช่นเรื่องสุนักีเรือนอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายคนชั่วบางคนก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้นกูตัดสูตรว่าด้วยเรือนยอดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้น ทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกรอนเรือนยอดอย่างใดอย่างหนึ่งกรอนเรือนยอดเหล่านั้นทั้งหมดไปรวมที่ยอดเมื่อรื้อยอดเรือนกรอนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการรื้อ ด, ด้วยฉันใดอากุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งอากุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดหล้วนมีอวิชชาเป็นมูล มีอวิชชาเป็นแหล่งรวมมีอวิชชาถูกถอนอกุศลลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการเพิกถอนฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ นขาสิกขสูดว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บครั้งนั้นพระผู้มิพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าฝุ่นเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้กับมหาปัตตภีอย่างไหนมากกว่ากันทูลตอบว่า มหาปัตตพีนี้นั่นแหละมีมากกว่าฝุ่นนั้นมีเพียงเล็กน้อยนับไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ไม่ถึงส่วนเสี้ยวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหล่าสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยเหล่าสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นนอกจากมนุษย์มีมากกว่าก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุลลสูตรว่าด้วยตระกูลพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึงมีสตรีมาก มีบุรุษน้อยตระกูลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรปล้นได้ง่ายฉันใดเมตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญแล้วไม่ทาให้มากแล้วภิกษุนั้นย่อมถูกพวกอมนุษย์กำจัดได้ง่ายฉันนั้นส่วนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมากตระกูลเหล่านั้น ย่อมถูกพวกโจรปล้นได้ยากฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วภิกษุรูปนั้นย่อมถูกพวกอมนุษย์กําจัดได้ยากฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจะทาให้มากทาให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้งทําให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้อกขาสูตรว่าด้วยการให้ทานพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดพึงให้ทานประมาณ100มหนึ่งรหม้อใหญ่ในเวลาเช้าพึงให้ทานประมาณหนึ่งหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงพึงให้ทานประมาณหนึ่งหม้อใหญ่ในเวลาเย็นบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ํานมโคบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงอย่างน้อย เพียงขณะการหยดน้ำนมโคหรือบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญเมตตาเจโตวิมุต จะทําให้มากทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งทําให้ตั้งมัน่นสั่งสมปรารภดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สติสูตรว่าด้วยหอบนกักุงสาวสถีพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายหอกที่มีใบคมถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจะเอาฝ่ามือหรือกำมืองอพับม้วนหอกที่มีใบคมบุรุษนั้นย่อมทำไม่ได้และพึงได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากทายเดียวฉันใดภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมัน่นสังสมปรารบดีถ้านมนุษย์จะพึงบรรดาลจิตของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่า น, นมนุษย์นั้นแหลพึงได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจากเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์จะทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารบดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ธนุกขาหาสูตรว่าด้วยการจับลูกธนกูภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูสี่คนผู้หญิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดียือนอยู่ในทิศทั้งสี่ถ้าบูรุษพึงมากล่าวว่าเราจะจับรูปธนูที่นายขมังธนูสี่คนผู้หญิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วนั้นไม่ให้ตกถึงพื้นดินแล้วนำมาย่อมกล่าวได้ว่า บูรุษนั้นผู้มีความเร็วประกอบด้วยความเร็วอย่างยอดเยี่ยมเปรียบเหมือนความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบูรุษนั้นความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบูรุษและของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ฉะนั้นเปรียบเหมือนอายุสังขารสิ้นไปเร็วยิ่งกว่าความเร็วของบุรุษ ความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เหล่านั้นฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้อนิสูตรว่าด้วยลิ้ม ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีตะโพนชื่ออนานกะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่าทศสารหะเมื่อตะโพนแตกพวกกษัตริย์ทศสารหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปต่อมาไม้โครงเก่าของตะโพนชื่ อ, อนักกะก็หายไปเหลือแต่โครงลิ่มชั้นใดภิกษุทั้งหลายในอนาคต เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้าลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตรธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุทั้งหลายจะไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงียหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญธรรมะว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจฉันนั้น แต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีเป็นอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกข้อนี้หมายถึงภายนอกพระพุทธศาสนาเป็นสาวกกาาสิตข้อนี้หมายถึงภาสิตอันเหล่าสาวกของเจ้าลัทธิคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธสาวกได้พาสิตไว้ ภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงียหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและจะสำคัญธรรมะนั้นว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจฉันใดแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไวล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตรธรรมประกอบด้วยความว่างก็จักอันตรธานไปฉันนั้น ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ําลึกมีเนื้ความลึกซึ้งเป็นโลกุตรธรรมประกอบด้วยความว่างเราทั้งหลายจะตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสําคัญธรรมนั้นว่าควรเรียนควรท่องจําให้ขึ้นใจ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สำหรับพระสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องคำของสาวกที่มีการตีความแล้วแยกคำสอนของสาวกออกไปทั้งหมดนั้นอย่างให้ศึกษาให้ดีนะครับเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งภาษาบาลีแปลภาษาบาลีออกท่านก็แปลคำศัพท์ที่ถูกต้องและอธิบายไว้ดีแล้ว ถ้าจะไม่เชื่อคําสาวกในระดับอ克拉สาวกหรือสาวกในครั้งพุทธกาลก็ไม่ควรจะเชื่อคําสาวกในรุ่นหลังด้วยนะครับทางที่ดีคือควรศึกษาพระไตรปิฎกให้จบอย่างน้อยคือศึกษาพระวินัยและพระสูตรให้ได้รู้ภาพรวมก่อนและถ้าจะให้ถูกต้องจริงก็ควรศึกษาภาษาบาลีแปลให้ตรงทางก่อนด้วย และเมื่อแปลตรงแล้วอีกลำดับก็คือการปฏิบัติให้เข้าถึงนะครับถึงจะมั่นใจได้ว่าคำสอนที่เรายึดถือเป็นคำสอนที่ถูกต้องจริงจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับกะลิงขรสูตรว่าด้วยหมอนท่อนไม้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาคูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันพวกกษัตริ์ลิชวีทรงใช้พระขนยไม้หนุนพระเศียรและพระบาทเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรในการศึกษาศิละปะ พระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคตไม่ส่งได้ช่องได้โอกาสของกษัตริย์ลิจวีเหล่านั้นแต่ในอนาคตพวกกษัตริย์ลิจวีจะเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติมีฝ่าพระหัสและพระบาทอ่อนนุ่มบรรทมบนที่บรรทมมีพระขนยหนาอ่อนนุ่มจนดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคต จับทรงได้ช่องได้โอกาสของกษัตริชวีเหล่านั้นในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายใช้หมอนไม้หนุนศีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่มานผู้มีบาปจึงไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสของภิกษุเหล่านั้นแต่ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะเป็นสุคุมาลชาติ มีฝ่ามือและเท้าอ่อนนุ่มนอนบนที่นอนมีหมอนหนาอ่อนนุ่มจนดวงอาทิตย์ขึ้นมารผู้มีบาปจะได้ช่องได้โอกาสของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักใช้หมอนไม้หนุนศีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นาคับสูตรว่าด้วยช้างสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุนวะกะรูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอภิกษุนั้นกล่าวตอบว่าภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านี้จักสาคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทําไมเราจะเข้าไปไม่ได้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายจํานวนมากเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วมีสะใหญ่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายอาศัยสะนั้นอยู่ช้างเหล่านั้นลงสู่สะนั้นแล้วใช้งวงถอนเง้าแล้วรากบัวขึ้นล้างให้ดีแล้วเคี้ยวกินเง้าแล้วรากบัวที่ไม่มีโคลนตมอย่างอร ե ศอร่อยการกระทําอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกําลังของช้างเหล่านั้น ช้างเหล่านั้นจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นส่วนลูกช้างเล็กๆทำตามช้างใหญ่เหล่านั้นเหมือนกันพวกมันลงสู่สะนั้นแล้วใช้งวงถอนเง้าแล้วรากบวขึ้นแต่ไม่ล้างให้ดีไม่เคี้ยวให้ละเอียดกลืนทั้งโคลนตม้มการกระทาอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันธ์ และกำลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นภิกษุผู้เป็นเทระในธรรมวินนยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้าเข้าไปบินธบาทยังบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมะในที่นั้นคข้าเรืหัดทั้งหลายผู้เลื่อมใสทำอาการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่ผัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาบนั้นการกระทำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพันและกำลังของภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงไม่ถึงความตายคือการสึกหรือทุบปางตายเพราะ ก, การบริโภคนั้น ส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ทำตามภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นเหมือนกันเวลาเช้าเข้าไปบิณฑบาตกล่าวธรรมะในที่นั้นครือข่าทั้งหลายผู้เลื่อมใสทำอาการของผู้เลื่อมใสแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายเหล่านั้นกําหนัดหมกมุ่นผัวพันมีปกติไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภ克าบนั้นการกระทาอย่างนั้น ย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกำลังของภิกษุนวกักะเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่กำนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภค克าบนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้พิลาระสูตรว่าด้วยแมวสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนแต่ก็ยังไม่เลิกทำเช่นนั้นลำดับนั้นภิกษุจำนวนมากจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค กรับทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราพรบพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีแมวยืนคอยจับลูกหนูอยู่ที่กองหยากเยื่อข้างทางระบายคูดจากบ้านระหว่างเรือนสองหลังต่อกันด้วยคิดว่าลูกหนูนี้จะไปหาเหยื่อในที่ใดเราจะจับมันกินในที่นั้น ต่อมาลูกหนูออกไปหาเหยื่อแมวก็จับลูกหนูนั้นแล้วรีบกัดกลืนลงไปลูกหนูก็กัดทั้งไส้ใหญ่และไส้น้อยของแมวนั้นแมวนั้นจึงถึงความตายเรือทุบปางตายเพราะการกินนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้ากรองอันตรวาศกถือบาทและจีวร ไม่รักษากายวาจาจิตไม่ตั้งสติให้มั่นคงไม่สำรวมอินทรีย์เข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมเธอเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในที่นั้นราคะก็รบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงถึงความตายหรือทุกปางตาย การที่เธอบอกคืนสิกขากลับมาเป็นข้าวฤหัสนั้นจัดเป็นความตายในวินัยของพระอริยะการที่เธอต้องอาบัตเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งและการประพฤติวัดเพื่อออกจากอาบัตตามที่ต้องนั้นจัดเป็นทุกปางตายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลาย จักรักษากายวาจาจิตตั้งสติให้มั่นคงสำรวมอินทรีย์เข้าไปบินทบาทอยังบ้านหรือนิคมเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้สิงค้าละสูตรว่าด้วยสุนักจิ้งจอกพระผู้มีพระภาค ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าได้เห็นสุนักจิ้งจอกแก่ที่มาอยู่อาศัยหรือไม่ทูลตอบว่าเห็นตรัสว่าสุนักจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโรคเรื้อนมันอยากจะไปไหนก็ไปทางนั้นอยากจะยืนที่ไหนไหนก็ยืนที่นั้นๆอยากจะนั่งที่ไหนไหนก็นั่งที่นั้นๆอยากจะนอนที่ไหนไหนก็นอนที่นั้นๆ ลมเย็นเย็นย่อมพัดโชยให้มันข้อที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ผู้ปฏิญญาว่าเป็นสากยะบุตรได้อัตภาพเช่นนี้เป็นการดียิ่งนักภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากไม่ประมาทเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายความกตัญญูกะตะเวทีบางอย่างยังมีในสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นแต่ความกตัญญูกะตะเวทีบางอย่างไม่มีในภิกษุบางรูปผู้ปฏิญญาว่าเป็นสักยบุตรในธรรมวิันนนี้เลยภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตตะเวที และอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลอื่นกระทำให้เราทั้งหลายจะไม่เสื่อมสูญไปเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้